ส่วนอาหารนะก็คงคนที่เขาเอามาเขาคงมาใส่บัตรที่หลวงพ่อโพูดนนะอาหารวัดเนี่ยคืออาหารสวรรค์สวรรค์ไกลๆฮะใครทําบุญอันไหนก็ได้กินอันนั้นฮะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราชอบทําบุญอันไหนไปสู่สวรรค์เ น, นี่นี่แหละผลทานของเราก็คอยอยู่บนสวรรค์เอ่ะเราก็ได้ทานได้เสวยผลบุญของเราพวก มามากๆากกเหมือนกันทดลองหน่อยสิแ่ทุกคนมามีแต่ขนมเสียงให้ทั้งหมดไปใส่บาตรใช่ไหมเนยแล้วอยากจะไปกินแกงไา้แกงหน่อไม้เออย่างอื่นมันก่กินไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองบริจาคทานได้ขนมเสียงให้ใช่ไหมก็ต้องได้รับขนมเสียงให้ด้วยกันฮ ะ, เ, ะเพราะนั้นใครทำบุญอนไนไว้ก็ต้องได้รับอนิสงส์วัดของเราเนี่ย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 ผาองผา น, นันทั้งหลายจากนั้นเขาเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับเขาเล่นเป็บั่งไฟอีสานของเราเนี่ะเสิงบั่งไฟอันนี้คือในครั้งพุทธกาลจากนั้นเขาจะจัดการอย่างเนี้ขึ้นมาก็คงจะเป็นประจําปีงานเกาเลเกาลาดอย่างนนน เ, า เ, าเนี้ยแต่ในเขากับเนี่ยเผาขี้เท่าขี่วัวขี่วัว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 ขอเงินอย่างนั้นขอเงินอย่างนีเ้เจ้าของบ้านเขาก็ลํำคานเขาก็ให้คนละบาทคนละห้สิบตะตังจุดแท้แต่ใครจะให้ให้แล้วไปบ้านนั้นต่อไปถ้าเทือกไปเป็นของสนุกแต่บ้านติดดูนะเป็นเรื่องของภารชนดูดูแล้วไม่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นเดีเ๋วก็ไปบ้านนั้นเดวก็ไปบ้านแล้วนี่เหมือนกับแห่มังกรลนะลักษณะนั้น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 ถ้ายุคไหนสมัยไหนส่งเสริมการมกกิเลสในยุคนั้นสมัยนั้นก็นั่นอ่ะเข้าไปแบบฉับที่ระฉานเข้าไปเรื่อยเรื่อยมันสุดแท้แต่มนุษย์จะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องอะไรในครั้งพระพุทธเจ้าขนขณะพระพุทธเจ้ายังสงผระชนยังแสดงธรรมให้แก่เวทนายสัตว์ทางหลายก็มีทั้งขาวมีทั้งดำคระกันไปเพราะนั้นพวกเราจะถือว่าเป็นของแปลกมายุคสมัยนี้